ก็าถามเอ๊มไม่รู้นี่เป็นเหตุให้ทําบุญจะเป็นไปได้ยังไงคนตาบอดเนี่ยเดินผิดทางทั้งหมดใช่ไหมบางครั้งก็เดินถูกทางบ้างแต่คนตาบอดเดินถูกทางตลอดไปไหมโดยเฉพาะทางที่ไม่เคยไปบอกว่ายากมันคนตาบอดเนี่ยนะอวิชาว่าเปรียบเหมือนกับคนตาบอดผู้ที่บอดไม่รู้อริยศาส์นี่แหละเป็นเหตุสําคัญของกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ความไม่รู้อริยศาส์นั้นถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเนี่ยนะแต่อวิชาก็ร่วงกับจิตกี่ดวง อกุศลจิตทั้ง12ประเภทมีอวิชาเกิดร่วมด้วยทั้งหมดเลยเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายสังขารเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีอวิชาเป็นปัจจัยวิญญาณเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีสังขารเป็นปัจจัยนามรูปที่เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยสลายตนมีเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยพาสสะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีสลายตนเป็นปัจจัยเนี่ยนะเวทนาเกิดขึ้นได้ก็เพราะมี เป็นปัจจัยตันหาเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีเพทนาเป็นปัจจัยอุปาทานเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีตันหาเป็นปัจจัยพบเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยชาติมีขึ้นได้ก็เพราะว่ามีพบเป็นปัจจัยชรามรณะโศกปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีชาติเป็นปัจจัยถ้าไม่เกิดจะแก่ไหมถ้าไม่เกิดจะจะตายไหมถ้าไม่เกิดเนี่ยนะจะโศกไหม ถ้าไม่ได้เกิดมาเนี่ยจะมีเรื่องอะไรให้โศกบ้างไหมถ้าไม่ได้เกิดมาเนี่ยถ้าไม่มีขันห้ามไม่อุบัติขึ้นจะมีโศกะปริเทวะจะมีทุกกายทุกใจเสียใจไหมเพราะฉะนั้นความเกิดขึ้นแห่งกองทุกมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แหลความเกิดขึ้นแห่งกองทุกเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขมีได้เพราะวิญญาณสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งกองทุกมีได้เพราะ วิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปความเกิดขึ้นแห่งกองทุกมีได้กเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนาความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขก็มีได้เพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขมีได้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยแก่เวทนาความเกิดขึ้นแห่งกองทุกเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาความเกิดขึ้นแห่งกองทุกเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความเกิดขึ้นแห่งกองทุกขมีได้เพราะ อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์เพราะพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์กับเพราะว่าชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตวัตตทุกข์สังสารทุก์วัตตะในภูมิ3ามกำเนิด4คติ5วัตตทุกสังขารทุกมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายนะพระองค์ตรัสว่าข้อว่าชรามรณะเกิดก็เพราะว่าชาติเป็นปัจจั ย, ย ความเกิดขึ้นแห่งชรา ม, มรณะมีได้เพราะชาติเป็นปัจจัยเรากล่าวแล้วว่าดูก่อนพิกษุทั้งหลายความเกิดขึ้นของชาติหรือว่าชาติเนี่ยเกิดขึ้นได้นั่นแหละชาตินั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีชรา ม, มรณะจริงๆแล้วเนี่ยนะพระองค์ถามว่าข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแก่ความตายมาจากการเกิดเป็นปัใจจัยใช่ไหมจริงๆริงเอาพูดจริงๆริงว่างั้นนี่ยเชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันละแล้วจริงๆอ่ะที่แก่ที่ตายกันเนี่ยเพราะเกิดใช่ไหม เขาบอกว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามอรณนะข้อนี้มันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะพระพุทธคือจริงๆแล้วจะเมื่อไรอย่างไรก็ช่างเถอะแก่กับตายมาจากเกิดนันะแต่คําว่าแก่เนี่ยเอาบางคนตายตั้งแต่อยู่ในคันก็ถือว่าคันแก่เนี่ยนะเอาเกิดมาแป๊บเดียวตายก็ถือว่าแก่แล้วจึงตายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถือว่าทิติขณะก็ ช, นะชื่อว่าชรามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแบบ ปฏิสนธิเกิดแล้วก็จิตเกิดต่อไม่กี่ดวงก็สามารถจุติต่อได้เลยนะไม่จําต้องเป็นพูดถึงสองปีสาปีสิปีร้อยปีเป็นต้นเพราะฉะนั้นความแก่และความตายมาจากการเกิดถ้าอย่างว่าโอ้ยสภาพแห่งทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเคยเห็นคนทุกคนยากคนลำบากคนเท่าโศกเสียใจไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นต้นไหมถ้าเขาไม่เกิดความทุกข์เหล่านั้นของเขาจะมีไหมเพราะเกิดแท้แทเลยเนยะถ้าเราจะรักษาโรคแก่โรคป่วยโรคตายเด็กขาดต้องรักษาไม่ให้โรคมันเกิด นะถ้าตัดความเกิดถ้ากับตัดความแก่และความตายออกไปได้เพราะฉะนั้นมันก็จริงอย่างนี้แหละพระเจ้าค่ะพิสูจ์ทั้งหลายเห็นด้วยคือเห็นด้วยเนี่ยไม่ใช่แบบอนุมตัติแบบธรรมดาคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าความแก่และความตายทั้งมวลล้วนมาจากความเกิดพระองค์ตอบบอกว่าเอาแล้วความเกิดเนี่ยนะความเกิดมีขึ้นมาได้ก็เพราะว่ามีภพเป็นปัจจัยถ้าภพไม่จัดแต่งเนี่ยนะจะเกิดในโลกเปรตถ้าภพคือกรรมเนี่ยนะ พบตัวนี้เป็นชื่อของกรรมถ้ากรรมไม่ตกแต่งจะเกิดในนรกอเปรตอสุรกายและเดรชาณไหมถ้าไม่กรรมไม่ตกแต่งจะเกิดเป็นมนุษย์ไหมถ้ากรรมไม่ตกแต่งจะให้เกิดเป็นชาติกษัตริย์พราหมทย์สูตรเป็นต้นไหมถ้ากรรมไม่ตกแต่งจะเป็นเหตุให้เกิดในเทวดาเป็นต้นไหมถ้ากรรมไม่ตกแต่งไม่เกิดในครัมในไข่เป็นต้นเร่งเหล่านี้จะมีได้ไหมเพราะฉะนั้นการเกิดมีกรรมมาพบเป็นปัจจัยเนี่ยนะข้อที่เรากล่าวว่าภิกษุทั้งหลายพบเนี่ยนะ เป็นปัจจัยนั่นแลชาติจึงมีหรือว่าพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือพระองค์บอกว่าพบเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีธาตุข้อนี้มันเป็นอย่างนี้หรือว่ามันเป็นอย่างไงมันมีอย่างอื่นเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่การเกิดเนี่ยเพราะมีอย่างอื่นเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่พบพราะพิสุขก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพบนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีชาติข้อนี้มันเป็นอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าคือเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ตถตาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆ คือการเกิดทุกการเกิดชาติทุกชาติเกิดทุกหนทุกแห่งมาจากภพเป็นปัจจัยข้อว่าภพมีอุปาทานเป็นปัจจัยดังนี้นะั้นเรากล่าวว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายอุปาทานเนี่ยนะคือความยึดถือทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีภพในข้อนี้เป็นอย่างนี้นี้หรือหรือมันเป็นอย่างไรพิสูนทั้งหลายก็บอกข้าแต่พระองค์ู้เจริญอุปาทานมีเป็นปัจจัยจึงมีภพข้อนี้เป็นอย่างนี้แล ก็ที่จริงเนี่ยนะกายกรรมของแต่ละคนเนี่ยมาจากความยึดถือจริงๆใครทําอะไรที่ไหนเมื่ อ, อไร่อย่างไรก็โดยมากเกิดจากความยึดถือเพราะความยึดถือนั่นแหละจึงทํากายกรรมที่ต่างกันความยึดถือนี่แหละเป็นเหตุให้วจีกรรมต่างกันความยึดถือเป็นเหตุให้เกิดมโนกรรมที่แตกต่างกันเพราะความยึดถือเนี่ยนะความยึดถือว่าเราบ้างความยึดถือว่าเป็นของเราบ้างนั่นแหล ะ, หล ะ, หละเป็นเหตุให้ทําทั้งกายกรรมวจีกรรมและ มโนกรรมนั้นความยึดถือว่าเราว่าเป็นของเรายึดถือว่าเป็นอัตตาว่าเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาความยึดถือด้วยกามมปาทานเป็นต้นเนี่ยนะความยึดถือด้วยทิฏฐปาทานศีละพตุปาทานและอัตวาทุปาทานความยึดถือด้วยตัณหาและทิฐินั่นแหละเป็นเหตุสําคัญที่ทําให้คนเราเนี่ยทำกรรมด้วยกายวาจาใจที่แตกต่างกันเพราะความต้องการที่ต่างกันนี่แหละอุปาทานความยึดถือที่ต่างกันนี่แหละ จึงทำให้แต่ละคนนั้นทำกรรมที่แตกต่างกันดังนั้นความยึดถือนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีพบข้อนี้เป็นอย่างนี้แหละเป็นอื่นไปไม่ได้เนี่ยนะคือมันไม่สามารถจะเป็นอย่างอื่นหรอกความยึดถือนี่แหละเป็นเหตุให้คนเนี่ยทำอะไรที่แตกต่างกันไปข้อว่าอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีชาอ่ตอุปตันหาเนี่ยนะเกิดเพราะอะไร ไ, ปไปอุปาทานเกิดเพราะอะไรเป็นปัจจัย ุปาทานเกิดเพราะตัณหาเป็นปัจจ bunker. ัย kind of <Amen> คือสรุปว่าทุกคนยึดถือสิ่งใดก็แปลว่าเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นยึดถือสิ่งใดก็เพราะว่าเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นคาดหวังว่าสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งประโยชน์และความสุขเมื่อเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความคาดหวังว่าสิ่งนั้นจะนํามาซึ่งประโยชน์และความสุขก็เลยยึดถือในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เพราะนั้นตัณหานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมี อุปาทานพิสูจทั้งหลายเพราะตันหาเป็นปัจจัยนั่นแหละ จ, จึงเกิดอุปาทานขึ้นในข้อนี้มันเป็นอย่างนี้หรือหรือว่ามันเป็นอย่างอื่นได้ไหม น, นะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานข้อนี้เป็นอย่างนี้แหลคือสรุปว่ามันจะอุปาทานความยึดถือในอดีตเมื่อใดก็ช่างเถอะก็มีตันหาเป็น ปัจจัยอุปาทานทั้งหลายที่จะยึดถือผู้ใดที่จะยึดถือต่อไปในอนาคตมันก็มาจากตันหาปัจจุบันนี้ศัตว์ทั้งหลายยึดถือก็มาจากตันหานั่นแหละเป็นปัจจัยข้อนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นหรอกต่อไปบอกว่าข้อว่าตันหามีเวทนาเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเราเกล่าวแล้วดูวก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยนั่นแหละตันหาจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้นี้หรือเป็นอย่างไร เวทนาเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญของตัณหาใช่ไหมจะเมื่อใดก็ตามถ้ามีตัณหาขึ้นที่ใดก็ตามให้รู้เถอะว่ามาจากเวทนาถ้าไม่มีเวทนาเนี่ยตัณหาก็มีไม่ได้เนี่ยนะพิสูจน์ทั้งหลายก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหาข้อนี้เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นหรอกเพราะฉะนั้นจะตัณหาเมื่อใดก็ช่างเถอะตัณหาในอดีตอนาคตรหรือปัจจุบันก็ตามตัณหาเหล่านั้นล้วนแต่มีเวทนาเป็น ปัจจัยพันเวทนานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาข้อนี้เป็นอย่างนี้แหละไม่เป็นอย่างอื่นหรอกเมื่อไรที่ไหนอย่างไรที่มีตัณหามันมาจากเวทนาทั้งนั้นแหละประมต่อไปข้อว่าเวทนามีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายผัสสะเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงเกิดเวทนาข้อนี้เป็นอย่างนี้นี้หรือว่ามันเป็นอย่างไรมีนัยยะอื่นอีกบ้างไหมที่ทําให้เข้าใจว่าเ อ, อเวทนาเนี่ยนะ มันเกิดจากอย่างอื่นไม่ได้เกิดจากผัสสะเพราะยังไงก็ช่างเถอะผัสสะก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาอยู่ดีจะเมื่อใดก็ตามเนี่ยนะถ้ามีความรู้สึกเช่นจะมีความรู้สึกมาจากผัสสะทั้งนั้นแหละบางคนก็บอกแหมรู้สึกไม่สบายใจเฉยๆบอกไม่ใช่หรอกแต่รู้ว่าตัวเองกระทบมานั่นแหละแต่ไม่รู้กระทบอะไรมารู้เรียกว่ามีปัญญาศาสตร์สองถึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละมันความดีใจก็มาจากผัสสะเสียใจก็มาจากผัสสะเฉยๆก็มาจาก ัาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนามันเป็นอย่างนี้เท่านั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นหรอกเพราะฉะนั้นความรู้สึกทุกความรู้สึกมาจากภาษะทั้งนั้นแหละแล้วภาษะล่ะข้อว่าภาษะมีสลายตนะเป็นปัจจัยเรากล่าวแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยนั le, ่นและภาษะจึงมีในข้อนี้เป็นอย่างนี้หรือหรือเป็นอย่างไรมีอย่างอื่นไหม ถ้าไม่มีตาจะมีจักขคู่สัมผัสไหมไม่มีถ้าไม่มีหูจะมีโสตะสัมผัสไหมไม่มีถ้าไม่มีจมูกไม่มีลิ้นเนี่ยนะจะมีชิวหาสัมผัสคานะสัมผัสไหมถ้าไม่มีกายจะมีกายะสัมผัสไหมถ้าไม่มีใจจะมีมโนสัมผัสไหมเพราะฉะนั้นอายตนะนี่แหละเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แหละก็แปลว่าเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นหรอก สลายยตนาเกิดขึ้นเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยเราก็บอกเลยว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนาในข้อนี้มันเป็นอย่างนี้นี้หรือมันเป็นอย่างไรจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันนพี่สูตทั้งหลายก็บอกว่านามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนาข้อนี้มันเป็นอย่างนี้เลยคือยังไงยังไงก็ช่างเถอะถ้าไม่มีนามมีรูปไม่มีตาหรอกถ้าไม่มีนามรูปไม่มีหูหรอก อย่างเช่นถ้าไม่มีนามรูปไม่มีจมูกหรอกถ้าไม่มีนามรูปไม่มีลิ้นไม่มีกายไม่มีใจหรอกนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยที่สําคัญทําให้เกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจข้อนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นไปได้หรอกอ่าแล้วเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเราก็บอกว่าพิกสุททั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีนามรูปจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือหรือมันเป็นอย่างไรถ้าไม่มีปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นเนี่ยนะ จะมีนามเกิดได้ไหมจะมีรูปเกิดขึ้นได้ไหมความเป็นไปแห่งนามรูปจะมีได้ไหมถ้าไม่มีกรร ม, มวิญญาณจะมีปฏิสนธิกรร ม, มะชะรูปในอสัญญาสัตว์เป็นไปได้ไหมไม่ได้เพราะวิญญาณนั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเมื่อใดก็ช่างเถอะที่มีนามรูปที่นั่นต้องมีวิญญาณเป็นปัจจัยข้อนี้เป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นไปได้หรอกก็ข้อว่าวิญญาณมีเพราะสังขารเป็น ปัจใจดังนี้นั้นเรากล่าวแล้วว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายสังขารนั่นแหลเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณข้อนี้เป็นอย่างนี้นี้หรือว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างอื่นไปได้ไหมวิญญาณเนี่ยนะจิตเนี่ยมาจากเจตนาใช่ไหมจิตทั้งหลายเนี่ยมาจากสังขารคือเจตนาสังขารคือเจตนานั่นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลจิตบ้างอกุศลจิตบ้างวิปากจิตบ้างเป็นต้นนี่ยนะก็เพราะมีสังขารมีเจตนานั่นแหละเป็น ปัใจจัยใช่ไหมจิตทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นบุญก็เรียกตามเจตนาเช่นกายสังเจตนาเนี่ยนะกุศลจิตที่เป็นไปกับกายสังเจตนากุศลจิตที่เกิดร่วมกับวจีสังเจตนามโนสังเจตนาเป็นต้นท่านความเป็นกุศลก็วัดกันที่เจตนาเนี่ยนะพันสังขารคือเจตนานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีญญญญกุศลวิญญาณอกุศลวิญญาณตลอดจนถึงปฏิสนธิวิญญาณทั้งหลายพันสังขารเป็นปัจจัยข้อนี้มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นหรอก ก็ข้อว่าสังขารเนี่ยนะเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยอานะกายกรรมวิมจีกรรมมโนกรรมทั้งที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นอเนญชาทั้งหมดเนี่ยนะมีอวิชชาเป็นปัจจัยเราก็บอกเล้ ว, ว่าดูความพิสูจนทั้งหลายอาวิชชาเป็นปัจจัยนั่นแหละจึงมีสังขารข้อนี้จริงๆริแล้วอาวิชชาเป็นปัจจัยมีสังขารหรือไม่เพราะถ้าดับอวิชชาได้สําเร็จแล้วสังขารก็ไม่นําเกิดไนงะ ขั้สังขารคือทั้งกายยสังขารปจีสังขารมโนสังขารเนี่ยมีอวิชชาเป็นปัจจัยจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าภิกษุก็บอกว่าใช่และอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารข้อนี้มีความเป็นอย่างนี้แลไม่เป็นอย่างอื่นเลยภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวมานี้เนี่ยนะข้อที่ทั้งเราทั้งเธอพูดเนี่ยถูกแล้วสาธุถูกละถูกละ แม้เราก็พูดอย่างนี้ว่าเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็มีเช่นเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีสังขารเพราะสิ่งนี้เกิดคืออวิชชาเกิดนั่นแหละสังขารจึงเกิด<อ>สรุปว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมี <Counter> สังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมี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 ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้สังสารวัตรเป็นอย่างนี้แหละไอ้ความเป็นไปอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเรียกว่าจุติอุบัติความเกิดแก่เจ็บตายจุติอุบัติอย่างเนี้ยสืบเนื่องเป็น1ชาติ2ชาติ3มชาติ5 4ชาติหชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายร้อยเลยหลายแสนชาติตลอดสังวัตตะกับวิวัตตะกับที่เรียกว่าเวียนไหวตายเกิดมันก็เป็นไปอย่างนี้แหละ มันสังสารทุก์วัตทุกขมันเป็นไปอย่างนี้แหละภิสูจนทั้งหลายทีนี้ถ้าเกิดว่าดับอวิชชาได้